บ <Book> ุ๊กทูห้าสิห้าปอนชานโนปอการทางานกาจกอร์โมกาจกอรมคุณทาอาชีพอะไรคะอาภกีกาจกอรอาภ สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะอา m a มีด็อร์ามีแอคจนด็กตรดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงอามีพาร์ทไทม์นัดเซรคาจ้าช้อามีพาร์ทไทมนสคาจช อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนานอัมรักคุปชิกรเป็นชนอัมรคุปชิกรวยเป็นชนปะบูแต่ภาษีสูงมากกินตุคอร์คุบเเบชินตุคคุบเเบและค่าประกันสุขภาพก็สูง เอบุงชั้สต์บีม้าคูแบกชั ক ্ ষ এ คเอบุงชั্้ต์บีม้าคูแบกชัปิคโคหนูอยากเป็นอะไรในอนาคต তুমি กี่โเจแจวตุিกี่โเจหนูอยากเป็นวิศวกร আমি একজন ই ঞ ุนินียร์โฮเจัยอา อินเจเนียร์ฮเทเชย์หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอามีบิชโวบิดดาลอย์ปู์อามีบชโาลอยปูดเตเชย์ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดอามีแอคจนศิษขานุบิชอามีแอคจนศิษขานุบิช ดิฉันมีไรายได้ไม่มากอามีเบชิรจการกูรีนาอามีเบชรจการกรีน า, า, า, นาดิฉันฝึก ง, งานอยู่ต่างประเทศอามีบิดเชโรชิคคนนิชีอามีบิดเชรชิคนนิชีนี่คือหัวหน้าของดิฉันอูนิอามาร บอโบุณิยาร์บอโรชับดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอามาร์ชอหกโกรมีรลอร์มราบาเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ আ ัมราโรจุดูปูเร่คเฟเตอรี่อาเตยเฟเตอรีจ ดิฉันกำลังมองหางานอามีแอคตอจากฤุิเอามีแอคตชดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วอามารกต็ตแอ็บอชชดโหรีจากอามารกตอบอชโรชากราที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก อีดออเดชีอัอเอออนเกเบสิชง่งคกเบคาร์ลกอัชินอีเดชีอันเกเบสิช่งคุกเบคาร์ลกอนรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด